เดี๋ยวเราสวดสินแปดหน่อยหน้ายี่สิบเอ็ดครับสวดที่นอนก็แล้วแต่เขาจัดบางทีก็สูงใหญ่บ้างับไม่รู้จะว่าไงเขาก็จะให้เ อ, ออกก็ไม่ใช่ละ <c oughs> แล้วสวด <c oughs> อริยมรรคแล้วเราลองมาดูกัน นิดหน่อยนะครับคงไม่สาธยายเต็มแหละเพราะว่าคนที่มาในคอร์สนี้ก็ต้องถือว่าฟังกันมาหลายรอบแล้วนะหรือว่าผู้ใหม่ที่ไม่เคยฟังก็ลองฟังเท่าที่จับใจความได้เอาลเราก็จะมาดูโดยสรุปรวบยอดนะครับเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ย ในมักมีองแปดว่าโดยย่อลงมาจนเหลือไตรสิกขาเนี่ยก็เป็นสิกขาสามอย่างที่ทุกคนต้องศึกษานะครับสิกขาก็คือการศึกษาการศึกษาสามอย่างเพื่อจะเข้าไปถึงความเป็นอริยะก็ประกอบด้วยหมวดที่หนึ่งคือปัญญาหมวดที่สองก็คือศีล หมวดที่สามเป็นสมาธิที่เราสวดมาทั้งหมดก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหรือสามหมวดหมู่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นนั้นถูกต้องเห็นอะไรถูกต้องเมื่อกี้ก็สวดไปความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุก์ในเหตุให้เกิดทุ ก, ใน ท, นน ใ, นทกในทางดำเนินในความดับทุกในทางดำเนินใด้ถึงความดับทุกอันนี้คือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องถูกตรง ทำไมรู้ทุกข์แล้วถึงเห็นถูกต้องถูกตรงแล้วถ้าเรามีความสุขละ่ะเราจะต้องรู้ทุกข์ไหมคนที่มีความสุขอยู่ในชีวิตเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นทุกข์อะไรแล้วก็จะเห็นอริยสัจได้ยังไงคําว่าอริยสัจหรือรู้ทุกข์เนี่ย คือการรู้ว่าไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะเฉยๆล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสังเกตไม่ว่าตัวเราเองเมื่อเกิดความทุกข์เราจะพยายามปฏิเสธผลักไสไล่ส่งสิ่งนั้นให้ออกไปให้เร็วที่สุดจากชีวิตของเราใครที่มีความทุกข์อยู่จะรู้เลยว่าไม่อยากอยู่กับมันเลยจะพยายามผลักไสไล่ส่งมันอ้อยพ้นไป เวลาเรามีความสุขทุกคนก็อยากจะให้ความสุขนี้อยู่นานๆไม่อยากจะให้มันเสื่อมสลายไปเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปดั่งใจนะครับคำนี้จะง่ายที่สุดเวลาทุกอย่างที่เป็นไปดั่งใจก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ก็รู้สึกเป็นปกติดีถ้าทางจะภาวนาได้ที่นะเขาบันดั่งใจเรามันพลิกกลับอีกด้านหนึ่งรับลองได้ไม่ดั่งใจนะพอไม่ดั่งใจแทนที่จะเห็นว่าความสุขทั้งหลายเกิดดับ พอมันเกิดความทุกข์ขึ้นตอนนั้นก็จะผลักไสไล่ส่งมันออกไปอีกแล้วก็แสวงหาหรือก็นั่งรอบางคนไปใช้บนบานสารกล่าวอ น, นี้ก็คือเรื่องจริงที่จะให้ความสุขนั้นกลับมาอีกหรือความสุขที่จะให้ได้ดั่งใจกลับมาอีกก็ไปบนบานสารกล่าวเอานี่คือคนที่ไม่รู้อริยศาสตร์คือไม่เห็นไม่เกิดสัมมาทิฏฐิคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคนมีปัญญาก็าควรจะเห็นว่าความสุขเองก็เกิดเกิดดับดับความทุกข์เองก็เกิดเกิดดับดับสิ่งเกิดดับล้วนเป็นทุกข์แปลว่าสุขก็คือทุกข์นั่นเองเพราะว่าความที่เราทะเยอทะยานจ ะ, สะแสวงหาหรือพยายามจะรักษามันให้ได้แต่มันรักษาไม่ได้เพราะมันขึ้นตามเหตุและปัจจัยมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย มันจึงกลายเป็นว่าเราคิดเอาเองเฉยโดยไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์เลยเพราะทั้งหมดมันขึ้นกับแต่ละเหตุการณ์มันขึ้นกับเหตุและปัจจัยถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันเกิดไปตรงกับใจก็จึงกลายเป็นความรู้สึกสุขขึ้นมายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายในเรื่องสมมติว่าท่านยืนกลางแดดขณะที่ตอนเที่ยงแดดร้อนท่านก็มีความทุกข์ ก็นึกว่าทำยังไงมันถึงจะร่มบ้างนะสักพักก็มีเมฆลอยมาบังปิดดวงอาทิตย์ไว้ก็รู้สึกเออเข า, าช่วยหน่อยอยากให้เมฆอยู่นานๆแต่การที่เมฆจะอยู่นานหรือนานไม่เกี่ยวกับความชอบหรือความพอใจของคนนั้นเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเมฆก็ผ่านไปตามเหตุตามปัจจัยมีลมแรงมีอะไรมันก็ผ่านเขมันไปต่อแล้วเดี๋ยวเมฆก้อนใหม่ก็อาจจะโผล่มาอีก ก็ร้อนอยู่พักหนึ่งเมฆเมฆก้อนใหม่ก็โผล่มาก็ดีใจเมื่อเมฆก้อนใหม่มาแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเมฆมันลอยไปทีนี้ก็เริ่มมีบางคนนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเพียงแต่เหตุการณ์เมฆแค่บอกอะไรบางอย่างเริ่มไปบนบานศาลกล่าวขอให้เมฆนี้อยู่นานขึ้นหรือเมื่อเวลาร้อนก็ไปบนบานศาลกล่าวขอให้มีเมฆก้อนใหม่มาช่วยเมื่อเมฆก้อนใหม่ลอยมาพอดี ก็ดูว่าการบนบานสารกล่าวนั้นเวิร์กก็จึงเริ่มหลงเข้าไปแล้วแล้วก็เริ่มเกิดเป็นมิจฉาทิฐิเพราะไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันจะร้อนแล้วทำอะไรมันได้หรอือมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดการปรุงแต่งสภาพร้อนเกิดขึ้นก็ไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์ใจ สภาพร่มเกิดขึ้นก็ไม่ได้ถึงกับดีใจลิงโลดอะไรเขาไม่ปรุงอะไรมันขึ้นมาคนคนนี้ยเป็นคนที่เห็นอริยสัจแต่คนเมื่อกี้ที่อยากให้เมฆอยู่นานๆแล้วก็ไม่อยากให้ความร้อนจากพระอาทิตย์มีอยู่พวกนี้ไม่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นคนนี้จะทุกข์ชั่วนิรันดร์ ก็จะนั่งจิตวันๆก็จะนั่งบ้าลอยลมไปกับเมฆชีวิตของเขาทั้งหมดไปขึ้นกับเมฆไม่เห็นความจริงของการเกิดดับของเมฆแล้วก็สภาพอนัตตาของเมฆเพราะว่ามาตามเหตุปัจจัยหมดไปตามเหตุปัจจัยเมื่อยังไม่เห็นที่เมฆจะไม่เห็นที่ตัวเองพระเจ้าบอกว่าคนเนี่ย ให้รู้ว่าสิ่งเกิดดับจากรูปจากกายเนี่ยยังง่ายกว่าแต่ผู้ที่ไม่รู้อริยสอจอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้เข้ามาอยู่ในาศาสนาของตถาคตเนี่ยไม่มีมันรู้ว่าจิตเกิดดับแล้วจิตไม่ว่างจิตเนี่ยว่างจากตัวตนไม่มีทางเพราะฉะนั้นคนนอกาศาสนาจะรู้ได้ว่ากายเนี่ยเกิดดับ เป็นทุกข์แต่คนนอกศาสนาจะไม่มีวันรู้ว่าจิตเนี่ยเกิดดับเพราะจิตเกิดดับเร็วมากถ้าไม่อาศัยอริยมรรคมีองค์แในข้อของสมาธิทั้งสมข้อจะไม่มีวันเห็นจนกระทั่งถอดถอนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องการเป็นคนดี ต้องขอโทษที่หลักสูตรนี้ไม่ได้พูดไปถึงเรื่องนั้นเลยเพราะถือว่าเป็นหลักสูตรพื้นพื้นฐานฐ า, า, านที่พวกเรากว่าจะมาถึงตรงนี้คงผ่านกันมาเยอะแล้วเราจึงมุ่งเน้นพุ่งเข้าไปในคำสอนที่ไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นคือ้นทางแห่งการหลุดพ้นอย่างเดียวตั้งแต่เมื่อวานพูดมาวันนี้มันเพิ่งวันที่สองเองเหรนย ผมรู้สึกว่ามันนานมากเยพูดไปตั้งเยอะละโหที่ตั้งนานจะพูดอะไรเนี่ย <c oughs> เรื่องที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องตั้งแต่กึ่งเหนือโลกจนถึงเหนือโลกไปหมดแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องที่ไม่มีวันได้ยินในาศาสนาใดๆหรือว่าในการบรรยายทั่วๆไปแน่ๆ สัมมาทิฏฐิที่จะเป็นจุดเริ่มต้นก็พยายามชี้ว่าความรู้ในใดเป็นความรู้ในทุกขในเหตุให้เกิดทุกข์เราจะได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับล้วนเป็นทุกข์เมฆหม อ, อกอะไรที่เรายศจินตนายกตัวอย่างขึ้นมาจะได้เห็นว่าโอ้เมื่อไหร่เราเข้าไปยึดถือเราเป็นทุกข์แล้วหน้าที่การงานเราก็ทําได้แค่ดีที่สุดเราจะไปบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เหมือนเมฆหมอกที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอาจจะต่างจากเมฆหมอกคือเรามีส่วนเข้าไปทําให้มันดีได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะเหตุปัจจัยในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงอันนั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเราก็ทําได้แค่ว่าเราทําดีทุกๆุกอย่างดีที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าผลออกมามันจะเป็นอย่างที่ใจหวัง เพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใจของเราไปตั้งเอาไว้เฉยๆพอมันมาโดนหรือใกล้เคียงเราก็ไปยินดีพอมันห่างจากที่ใจเราตั้งเราก็รู้สึกเสียใจเราจึงต้องสลายตรงนี้ออกด้วยแล้วกลับมาอยู่ที่ว่าเราทำเหตุได้อย่างเดียวเราควบคุมผลไม่ได้แล้วจะทำเหตุยังไงทำดีที่สุดทำดีที่สุด โดยไม่มีอกุศนเข้าไปเกี่ยวแล้วทำเพื่อให้ทำเพื่อผู้อื่นไม่ทำเพื่อเอาสุดยอดก็คือทำเพื่อผู้อื่นไม่ทำเพื่อเอาเข้าตัวอ้าวแลเงินเดือนนะเราทำเพื่อผู้อื่นเงินเดือนมันได้เองมันอยู่ที่การวางจิตเท่านั้นเอง ตลอดเวลาถ้าเราทำเพื่อผู้อื่นเราเห็นว่าคนอื่นมีความสุขจากงานที่เราทำเราจะมีความสุขทุกๆครั้งที่เราได้ทำงานของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีความสุขแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปพอถึงเวลาเขาจะให้เขาก็ให้อยู่แล้วถือเงินเดือนเราก็รู้ว่าเราได้อยู่แล้วถ้าคนทำงานก็รู้อยู่แล้วแต่จิตไม่ต้องไปปักอยู่ตรงนั้นจิตไปปักอยู่ที่าจารให้เนั้นการทำทุกๆวันก็จึงเป็นกุศล ไม่ได้ทำเพื่ออัตตาตัวตนอะไรใครจะค้าขายมันก็ค้าขายก็มีกำไรก็มีกำไรไปสิแต่ว่าทำแล้วคนอื่นมีความสุขได้ของที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้อย่างนี้ต่างหากนะเป็นการทำแล้วก็เป็นทานทำเพื่อให้พอเกิดปัญญาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็จะรู้ว่าอะไรล่ะ ที่เราควรจะระ ง, งับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ก็จะมาถึงสัมมาสังกรปรความดําริชอบอะไรคือความดําริชอบความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่มุ่งร้ายความดําริในการไม่เบียดเบียน3ข้อนี้เป็นการดําริชอบ ทำไมเหรอการผิดตรงไหนการไม่ใช่เฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้ชายหรือเรื่องของการมีอะไรเสพเมทุนอะไรเรามักจะแปลการไปอย่างนั้นแต่การเนี่ยเวลาเรายึดติดในความสะดวกสบายสิ่งสวยๆงามๆที่บ้านทีวีห้องนอนแอร์เย็นๆหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ เมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดติดโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุนิยมมันก็จะทาให้เราจิตใจเร่าร้อนตลอดเวลาสังเกต ด, ดูจากจิตใจของเราเองแต่ผู้ที่สงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากทํามันเป็นอคุสลทั้งหลายในสัมมาสมาธิจิตจะเข้าสู่ปฐมฌานถ้าเราสังเกต ด, ดูจากปฐมฌานเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงมรรคองค์ที่8เนี่ยสงัดแล้วจากก ร, รมนี่ไง ถ้าเราละกามได้ในชีวิตประจําวันเรื่อยๆโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินอาหารอร่อยๆไปกินแต่อ ย, ย่ายึดติดจะฝึกได้ยังไงก็ฝึกที่นี่ผมถึงบอกว่าอร่อยเนี่ยนะมันมีสองส่วนส่ว น, วนแรกเป็นรสชาติดีที่ลิ้นที่ลิ้นเนี่ยจะสัมผัสความจริงเปรี้ยวหวานมันเค็ม ต่อให้พระฉันแล้วก็รู้เปรี้ยวหวานมันเค็มท่านก็รู้ว่า อ, อันนี้ดีรสมือดีอร่อยอันนี้ไม่ดีอันนี้ทาประโยค์ไป อ, อ, ไปอะไรเงี้ยท่านก็รู้แต่เรื่องอร่อยในการปรุงที่ใจขึ้นมาเนี่ยไม่มีก็ทานเข้าไปอืมเมื่อวก็ทานอาจจะทานได้มากขึ้นอีกหน่อยรสชาติถูกปาก อย่าง ง, งนะีอร่อยจึงมีสองส่วนส่วนหนึ่งอร่อยใจเป็นสิ่งที่เกิดจากสังขารปรุงแต่งเป็นวิญญาณขึ้นมารับรู้อีกส่วนหนึ่งเป็นอาหารรสชาติดีอันนี้เป็นแฟกต์เป็นความจริงเมื่อไร่กลับมาอยู่ความจริงส่วนของวิญญาณที่ปรุงแต่งจะหายไปรับประทาน คำว่าสักแต่รู้รสเนี่ยไม่ใช่ว่ารถมันเท่ากันหมดนะเวลาไปถามมีคนถามหลวงพ่อเอี้ยนบอกว่าแล้วท่านยังฉันอร่อยไหมท่านตอบว่าปฏิบัติธรรมแล้วลิ้นไม่ได้พิการนะที่จะไม่รู้ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยไม่เกี่ยวกันเลยนะคืออย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับแต่ว่าไอ้ปรุงแต่งหลงไหลได้ปื้มอะไรมันไม่มีไม่มี อร่อยก็อือร่อยก็บอกอร่อยเออที่ทําดีนะเนี่ยอก็รู้ว่าจารย์นี้อร่อยจานนี้ไม่อร่อยมันก็ธรรมดาไม่คิดมากเองไม่ใช่ว่าโอ้นี้ก็เหมือนกันหมดเรานั่งเจ็บไหมเจ็บท่านก็นั่งแต่ท่านอาจจะชินนั่งจนชินแล้วก็ไม่สามชั่วโมงท่านไม่ขยับก็ไม่ได้แปลว่าท่านไม่เจ็บไม่ปวดป่าท่านก็เดินปวดหลังก็เหมือนกันท่านก็หมอบางทีก็ต้องไปฝังเข็มต้องไปรักษาท่านกัมือนกันก็ปวดหลังท่ามันก็ไม่ได้ทรมานใจแต่มันก็ปวด ตามว่ามันก็ลำคาญก็เดินขัดขัดอะไรเงี้ยก็รักษาไปอย่าไปคิดอะไรให้มันมันมากเกินเป็นธรรมดาธรรมดาเวทนาก็คือเวทนาทีนี้พอเราดาฤิในการออกจากกามจิตใจก็จะเริ่มสงบอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเรากินกินเสร็จแล้วก็จบอย่า มัวแต่ that, พร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ลองดูว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปกินอาหารกันนัดกับเพื่อนไปกินข้าวโูแล้วเนี่ยอร่อยจัง้วเรากินกินแล้วก็กิ น, กกนเสร็จแล้วก็ยังเดินคุยกันต่อโอ้โหที่หลังต้องมาอีนะนี่ยภิกษุนี้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญรเญมาหมกอยู่โดนทุกข้อซึ่งกลับข้างกับที่พระเจ้าแนะนํา ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินก็อืมรสชาติดีนะแล้วก็กินกันไปจบแล้วก็จบวันหน้าจะมาก็มาคือไม่ต้องพร่ำสรรเสริญแล้วก็ไม่ต้องเมาหมกอยู่แต่แบ่งปัน <c oughs> เดี๋ยวนี้จะกินข้าวต้องถ่ายรูปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้ว่าไปกินที่ไหน ใครกินก่อนถ่ายรูปบาปโดนด่าด้วยเพื่อนดาวทีนี้ความการไม่มุ่งร้ายเห็นเลยว่าเมื่อไหร่กลับไปดูข้อนี้รู้ว่าอันใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มุ่งร้ายชาวบ้านนี่พอมุ่งร้ายชาวบ้านก็เกิดการเบียดเบียนนะพอเบียดเบียนชาวบ้านก็เกิดทาการทำผิดศีลตั้งแต่ข้อของวาจา แล้วก็มาถึงการกระทาทางกายก็เป็นศีลข้อที่หนึ่งสองสามอย่างที่ผมบอกมรรคองค์ที่สามก็เป็นข้อสี่แต่ไม่มีข้อหนะ้าอธิบายไปแล้วไม่อธิบายซ้ำแล้วแต่แนะนำให้ถือข้อห้าไปเลยนะอย่าไปเล่นกับจิตมากขันนี้ไม่ใช่ของเล่นพู้เจ้าตรัสว่าฉันได้หนึ่งองคุลีนะสุราอาจจะเป็นเพื่อขีลานะปัจจยะเพษสัต แต่ว่าโอ้ภิกษุที่ฉันสุราเป็นยาก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มองไมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมันจะโดนไปทำเป็นเลี่ยงบาลีแล้วมันจะไปกันใหญ่ก็ถือสินห้าเพื่สินเลือกก็ไม่ต้องเสียตังค์สุขภาพก็ดีขึ้นมาถึงข้อที่ห้าก็ไม่มีอะไรนะครับอาชีพ อาชีพที่เหมาะแก่การบรรลุธรรมถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็ภิกษุล้วนะครับภิกษุในธรรมวินัยของผู้เจ้าก็มีปักธงไว้ชัดเจนมีการพลากออกจากกรามด้วยปาฏิโมกข์ทั้งหลายศี 7, ลสอง้อยี่ิบเจ็ดอะไรก็โดนกำกับอยู่แล้วนะที่จะพลากออกจากกรามก็ง่ายหน่อยง่ายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะครับแต่การเป็นพระอาจจะยากสำหรับคนก็ได้ทําไมถึงยากเพราะเรายึดติดทุกอย่างเอาไว้เพียบ พอเข้าไปเป็นพระปุ๊บก็โอ้โหเป็นพระนี่ลําบากลําบากยังไงไอ้นุ่นก็ไม่ได้กินไอ้นี่ก็ไม่ได้กินแปลว่าอะไรแปลว่าคุณติดเพราะคุณติดก็ุจริงก็อยากกินก็ อ, อยากกินไงก็มันติดไงพออยากก็ยึดไงตันหาแล้วก็อุปาทานไงพออยากก็ยึดพอยึดก็วนกลับไปอยากอีกก็ อ, อยู่อย่างเนี้ยทีนี้ถ้าไม่ติดก็ไม่เดือดร้อน แล้วทําไงก็พากไปพากมามันก็หลุดพากไปพากมามันก็หลุดต้องใช้กําลังหนึ่มันก็หลุดหลุดหลุดหลุดหลุดก็เป็นอิสระจิตก็เป็นอิสระแล้วยังอยากฉันของอร่อยไหมก็แล้วแต่ท่านแต่ทีนี้จะเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวแล้วไม่ติดแล้วทีนี้พอมันผ่านกระบวนการชําระแล้วมันก็ไม่ติดแล้วการที่เราพากออกมาอย่างเงี้ยเรากลับไปใหม่ก็น้อยลงเรื่อยๆพากออกมาอย่างเงี้ยกลับไปใหม่ก็น้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็จะเหลือสิ่งที่เรารู้เองว่าไอ้อ น, นี่สำหรับเราเลิกยากเลยแต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับเรายากจะมีบางอย่างที่แต่ละคนติดไม่เหมือนกันยากมีไม่ติดหมอนเหม็นอะไรเนี้มาคอสปฏิบัติต้องเอาหมอนข้างมาด้วยอะไรงนี <c> ้ <oughs> มีไม่พี่โกย <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วพี่กวยไม่ติดเมื่อก่อนพี่กวยต้องนอนกอนหมอน สัมมาวายามโนะครับละอกุศลเจริญกุศลหลักๆ ก, ก็คืออย่างนี้กุศลที่เจริญแล้วก็ทำให้เจริญยิ่งยิ่งยิ่งย่งขึ้นสังเกตไหมว่าเอาง่ายๆในมารคทั้งแปดองค์เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปถึงองค์ครีมานองค์คริมานทำบาปทำอกุศลมาเยอะแยะมากมายฆ่าคนไม่น่าเชื่อว่าปฏิบัติตามมารคมีองค์แปดแล้วจะหลุดพ้น เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยทั้งๆ ท, ที่สร้างกรรมมามากมายแสดงว่าก่อนที่จะปรับเข้าสู่วิถีเนี่ยมรักหรือว่าการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของมรักเนี่ยกายวาจาต้องเป็นกุศลทั้งหมดเยถ้าเราดูจากมรักทั้งหมดเป็นกุศลหมด เหลือใจนี่ก็หนักหน่อยเริ่มตั้งแต่ข้อนี้เลยความเพียรชอบท่านจะต้องละกุศลหนักมากเลยในใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตลอดเนะเกิดขึ้นมาตลอดละละละละไปเรื่อยละไปเรื่อยละจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่แบบถ้าละไม่ไหวต้องไปเห็นความตั้งมั่นพอไปเกิดความตั้งมั่นแล้วต้องไปใช้สัมมาสติมาเริ่มต้นดูให้เห็นเลย ว, ว่าขันเนี่ยไม่ใช่ของเรา ทีนี้มันก็อยู่ที่กำลังการสั่งสมมาของแต่ละคนบางครั้งเนี่ยมันรบกวนมากความทุกข์ที่ทำมาในอดีตเนี่ยมันรบกวนมากพอรบกวนมากเนี่ยใจจะไม่เป็นสมาธิเพราะว่าเรื่องที่เกิดมาในอดีตมันจะขึ้นมาตลอดมันจะโผล่ขึ้นมาตลอด เพราะฉะนั้นการเดินสมาธิแบบคนทั่วๆไปที่เข้ามาฝึกเนี่ยจะใช้ไม่ได้ล้วต้องเปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนทางกลับมาเป็นความตั้งมั่นของจิตแทนคือเริ่มละเริ่มละการปรุงแต่งพอเริ่มละการปรุงแต่งเราไม่ต้องการความสงบแล้วแต่เราคอยดักแล้วก็ละความปรุงแต่งเหมือนอย่างที่ผมให้ท่านลองดู พอละการปรุงแต่งไปถึงจุดจึงเนี่ยมันจะช่วยได้ก็คือจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาต้องยกจิตขึ้นแล้วก็ให้เห็นขันนี้เป็นอนัตตาเลยแล้วให้จิตปล่อยความยึดถือขันมันจะคิดก็เป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของกูมันจะปล่อยถ้ากำลังความตั้งมั่นสูงมันจะปล่อยพรวเลยทีนี้วิบากให้ขันรับไปกูไม่เอาแล้วกูหายเลย ต้องปล่อยให้ขันลับเลยแล้วก็หลุดออกไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าองคุริมานต้องใช้วิธีนี้เพราะจะลบให้เกิดความสงบจนถึงฌานที่สี่คงลำบากละเพราะว่านิวรณ์มารบกวนไม่หยุดพอรบกวนไม่หยุดก็ต้องอาศัยการละและพอจิตสงบพอสมควรมองให้เห็นตั้งแต่กาย กายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวทนาจิตธรรมแล้ววางเลยใช้กำลังของสมาสมาธิแล้ววางมันลงเลยทีนี้การรบกวนจะไปเกิดเป็นวิบากที่ขันแต่ว่าไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ทุกข์ลองดูนะครับใครที่สมมติว่า<ม>เรามีเรื่องในอดีตเยอะมันไม่สามารถสงบได้เปลี่ยนไปละ ละการปรุงแต่งก่อนพอละการปรุงแต่งจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นโดยลำดับแต่ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบเป็นฌานได้แล้วก็ใช้วิธีกลับมาพิจารณากายเวทนาจิตรมแล้วใช้กำลังมากๆหน่อยแล้วก็ปล่อยเลยทีนี้กลับมาดูสัมมาสมาธิสักนิดหนึ่งในกลุ่มของสมาธิสามข้อเนี่ย คือข้อมรรคองค์ที่หกเจ็ดแปดสงัดแล้วจากการทั้งหลายเห็นไหมครับนี่คือผลจากการทำเนคธรมมะในข้อที่สองมรรคข้อที่สองเมื่อเราละเนคแอนละกามไปเรื่อยๆมันจะมาถึงตรงเนี้ยสังกัดแล้วจากการทั้งหลายจะไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเช่นนั่งๆอยู่ๆเบิรอยากกินไอ้นู่นจังเลยกลับไปเดี๋ยวจะไปกินร้านเนี้มันไออย่างเงี้ยจะทําให้ใจเนี่ยไม่สงบเดี๋ยวเดี๋ยวก็อ๋ ติดละครมัางหรือว่าอยากอะไนี่อยากจะไปนั่นไปนี่แต่ถ้าเราละละละไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดนี้มันจะสักดจากกามจิตจะเริ่มสงบสงัดจากธรรมมันเป็นอกุศลเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารอะไรก็เอาละเรายังไม่พูดถึงละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลมาจากมรรคที่ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆใครที่มีศีล มีชีวิตที่ปฏิบัติมาตามศีลก็จะปฏิบัติง่ายใครที่ปฏิบัติใช้ชีวิตหวือหวาอาจจะทำอกุศลมาเยอะหน่อยก็ต้องใช้กำลังเยอะหน่อยนะครับก็ต้องใช้วิธีละละล ะ, ละเอาไปมากๆหน่อยเพราะจิตมันไม่ค่อยสงบก็มีวิธีเดินที่เดินต่างๆกันไปมักมัยหลวงแปดก็ แน่นอนที่สุดนะครับผู้เจ้าท่านกต็ตรัสบอกองคุริมานหรือว่าบอกคนอื่นว่าในสมัยก่อนองคุริมานยังไม่มีกัละยาะณมิตรก็จึงทําผิดทำพลาดพวกเราเองก็เหมือนกันสมัยที่ยังไม่รู้ธรรมยังไม่รู้มรรคมงแปดยังไม่รู้จักการปฏิบัติเราก็ทําผิดทำพลาดด่าคนมีอัตตาตัวตนว่าเขาอะไรแย่แย่ว่าเขาได้ด่าเขาให้สะใจได้ไอ้ด่าเขาให้คือ เขาด่ามานหนึ่งกลับไปสามได้มันสะใจทําให้นั่นสะจอยจ่อยเนี่ยด่าเขาจอยเลยเป็นไงเงียบไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะเนี่ยคือแบบไม่รู้เลยว่ากําลังสร้างภูมิสัตว์นรกไปเรื่อยๆเจ๋งไหมล่ะเจ๋งเจ๋งเลยไหมล่ะคือผตายก็เจ๋งเลยนะคือเจ๊งไม่ใช่เจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วไม่เอาแล้วสงัดแล้วจะทําอันเป็นอกุศลถ้ายังมีทํามันเป็นอกุศลเนี่ยเสร็จมันวูบว่าไปหมด เพี้ท่าเลิกได้องคุริมานพอตัดสินใจวางดาบวางทุกอย่างวางศาสตราวุธท่านไม่หวนกลับเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเหยียบเรือสองแคมดีไม่ดีเราสู้องค์ุริมานไม่ได้ด้วยวันที่ท่านตัดสินใจวางศาสตราเนี่ยท่านไปเลยนะจากวันนั้นกายวาจาใจท่านชำระด้วยมักตลอดจนบรรลุธรรมเลย แต่วันนี้อาจจะมีบางคนที่ขอทำอย่างนี้ก่อนได้ไมากขอมันมันก็จาเป็นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยสู้ท่านไม่ได้พอสู้ไม่ได้เครื่องรบกวนบางทีมากกว่าท่านอีกนึกว่าการฆ่าของท่านจะรบกวนกว่าแต่ของเราอาจจะรบกวนกว่าเพราะเราทําอกุศลไม่หยุดแล้วเราไม่หยุดทําอกุศลไม่ว่าทางกายวาจาใจแต่องคุริมานวางแล้ววางแล้วหันหลังแล้วไปเลยเดินเดินดิ่วอย่างเดียว ตายเป็นตายแล้วท่านก็หลุดพ้นจริงๆเพราะถ้าท่านไม่หลุดพ้นลองนึกภาพดูไอ้ ย, ยาเลยนะ่ะ999ชีวิตนะถ้าชำระด้วยมรคไม่ทันเนี่ยคือต้องชดใช้กันในเอเวจีแน่ๆนะ แต่ถ้าใครบอกโอ้โหงนี้ก็นะมักก็เหมือนกับแลัดออกเลยนะพื้หลุดออกจากวงจรไปเลยออกจากวัฏตะไปเลยแต่ถ้าใครทมามันขนาดองคุริมันต้องเด็ดนะใจต้องเด็ดมากเลยที่จะแหวกออกไปให้ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาละนะครับก็ถือว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีวางก็วางกันเลยแล้วไปเลย เอาละแปดข้อละแต่ผมอยากจะให้ฟังตัวนี้ทิ้ดเดียวเพราะมันจะไปสนับสนุนสิ่งที่พู้เจ้าตรัสเอาไว้ก็คือกาลยา น, นมิตร